สถานีวิทยุกระชายเสียงประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันเบื้อเป็นช่วงของกลางประูุดที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเพียนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามได้ เป็นประสูติเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแตงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสมาธิที่ได้อันโดยพระมห า, บายบบุญพิปุนโนนันี้เราก็นำเสนอประสูติที่ชื่อว่ามหาทุกขกขันธสูตร และจุละทุกข์ักคันทสุตรคือว่าด้วยเกี่ยวกับกองทุกข์ทั้งสูตรใหญ่และสูตรเล็กเป็นเรื่องราที่มาในมัชิมานิกายตมฟังเป็นสองเรื่องต่อเนื่องกันที่พระพุทธเจ้าจาแนกแจกแจงเกี่ยวกับเรื่องความทุกข์ต่างๆโดยในลำดับที่จะให้ตมภูฟังฟังนั้นคือจะให้ฟังมาทุกข์ักคันทสูตรนี้ก่อน เป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าได้ประลบัญญะดีรถีที่เขาจะมาพูดถึงเรื่องของทุกเรื่องของกา ร, รเรื่องของรูปว่าเป็นอย่างไรอย่างไรทีนี้ในการจําแนกแจกแจงข้อนี้พระพุทธเจ้านี่มีความละเอียดจะใช้ท้ามาฟังได้ฟังในรายละเอียดที่ว่าทุกโทษของกามเนี่ยเป็นอย่างไรอย่างไร เป็นเรียบใบกับลูกศรเปรียบวบกับหัวฝีเปรีย บ, ยบว้บกับสุนัขแท้กระดูกยังมีอุปมาอรปไมแบบต่างๆด้วยเ่าก็แจกแจงในเรื่องของรูปเกี่ยวกับเวทนาว่าเวทนาที่มันมีทุกมีทุกเนี่ยเป็นอย่างไรอย่างไรส่วนในจุลักทุกขะกันตสูตรนั้นก็บราลพเจ้าสากยะ ที่ชื่อมหานามะในเรื่องนี้พอเราทำความเข้าใจแล้วเนี่ยใต่ตองสุดท้ายของจุลักทุกข์กันเตโสตตมวังเราจะยกถึงเรื่องของความสุขที่ยิ่งกว่าความสุขที่ได้มาผ่านทางความสุขด้วยคือพวกนิครนก็จะมีความคิดว่าความสุขต้องได้มาผ่านทางความทุกข์แต่บุคคลที่เดินทางตามมักแปะคุณก็ได้สุขตามมักแปะด้วย แล้วก็ยังประสบความสาเร็จด้วยก็เชิญรับฟังในทั้งสองเรื่องราวทุกขกขันทะสูตรมัจจิมนิกายว่าด้วยกองทุกสูตรใหญ่และสูตรเล็กมหาทุกขกขันทะสูตรและจุละทุกขกขันทะสูตรเรื่มที่12ข้อที่194่งร ก็ในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะพระวิหารเชตวนอารามของท่านนาธะบินทิกาเษฐีในเกตรพระน ก, กรสาวิตรีพิสุมมากรูปด้วยกันในเวลาเช้านุ่งสบงถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตในเกตรพระน ก, กรสาวิตรี ตางมีความเห็นร่วมกันว่ายังเช้าอยู่นะักจึงเข้าไปยังอารามของพวกปริพาชกอัญญาเดรตีแล้วครั้นปราศัยพอเป็นที่ระลึกถึงกันก็นั่งลงนะที่ควรข้างหนึ่งปริพาชกอัญญาเจรตีเหล่านั้นได้กล่าวกับพวกภิกษุผู้นั่งนะที่นั้นว่าผู้มีอยู่ทั้งหลาย พระสมณโคดมบัญญัติข้อควรรอบรู้เรื่องกรรมได้แม้พวกข้าพเจ้าก็บัญญัติข้อควรรอบรู้ซึ่งกรรมได้พระสมณโคดมบัญญัติข้อควรรอบรู้ซึ่งรูปทั้งหลายได้แม้พวกเราก็บัญญัติความรอบรู้ทั้งหลายได้พระสมณโคดมบัญญัติความรอบรู้ซึ่งเวทนาทั้งหลายได้ แม้พวกเราก็มีหยาดความรอบรู้ซึ่งเวทนาทั้งหลายแต่ไม่มีอายุภายในข้อนี้อะไรเป็นความผิดแปลกอะไรเป็นข้อสังเกตเฉพาะอะไรเป็นเครื่องกระทําความแตกต่างกันระหว่างพระสมณโคดมกับพวกเราโดยการเปรียบเทียบธรรมเทศนากับธรรมเทศนาคําสอนกับคําสอนบวกพิสุรนั้น ไม่ได้ยินดีไม่ได้คัดการคำของพวกปริภาชกครั้นแล้วจึงลุกจากที่นั่งหลีกไปโดยคิดว่าเราจะทูลถามข้อความนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคครั้นั้นและเมื่อภิกษุเหล่านั้นเที่ยวบินาบาบันเป็นเวลาภายหลังบัดจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถวายบังคมแล้วนั่งน้าที่ควรข้างหนึ่งเราได้ทูลเล่าเรื่องราวเหล่านั้นกับพระผู้มีพระภาคในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลอยพวกปริพาชกลี่อื่นมีวาท้ายอย่างนี้อันพวกเธอพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุอะไรเล่าเป็นรสอร่อย คืออัศธาแห่งกรรมทั้งหลายอะไรเป็นโทษอันต่ําสามคือทินาวะแห่งกรรมทั้งหลายอะไรเป็นอุบายเครื่องออกจากโทษคือนิสรณะแห่งกรรมทั้งหลายอะไรเป็นรสอร่อยของรูปของเวทนาอะไรเป็นโทษอันต่ําสามของรูปและของเวทนา อะไรเป็นนุบายเครื่องออกจากโทษของรูปและของเวทนาพิษุทธั้งหลายพวกปริภาชคผู้เป็นละที่อื่นนั้นเมื่อถูกถามอย่างนี้แล้วจะไม่มีคำตอบจะถึงซึ่งความขับแกนใจอย่างยิ่งเพราะนั้นพระเหตุไรประเหตุหว่าไม่อยู่ในวิสัยที่พวกปริภาชคเหล่านั้นจะรู้ได้ ก็เราไม่มองเห็นบุคคลใดในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกปรมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ที่จะพึงยังจิตให้ยินดีด้วยการพยากรณ์คือตอบ ป, ปัญหาเหล่านี้เว้นเสียแต่ตถาคตหรือสาวกของตถาคตหรือพราะได้ฟังจากตถาคต หรือสาวกของตถาคตดังนี้พิสุทั้งหลายก็รถอร่อยของกามเป็นอย่างไรคือการคุณห้าอย่างเหล่านี้มีอยู่คือรูปที่จะพึงรู้ได้โดยตาเสียงที่จะฝังได้โดยหูกลิ่นที่จะพึงรู้ได้โดยจมูกรสที่พึงรู้ได้โ ด, ย, ด, ดยลิ้นและปุถะ ที่พิ่งรู้แจ้งได้ด้วยกายอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นเรื่องยวนตายวนใจให้รักภิกษุทั้งหลายการมกุณห้าประการเหล่านี้แหล่ก็ความสุขสมนัตอันใดอาศัยใสใกามคุณทั้งห้าเหล่านี้เกิดขึ้นนี่แหละคือรสอร่อยหรืออจสัตถะของการมทั้งหลาย ภิกษุทังหลายก็โทษของกรรมเป็นอย่างไรคือคุณบุตรในโลกนี้สาเร็จการเลี้ยงชีพบด้วยศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นศิลปะแห่งการใช้สัญญาด้วยมือศิลปะแห่งการคำนวณศิลปะแห่งการพยากรณ์การทำกสิกรรมการค้าขายการเลี้ยงปศุสัตว์ ศิลปะแห่งการใช้อาวุธการทำราชการหรือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะการประกอบอาชีพนั้ น, น, นเขาต้องเผชิญหน้าต่อความหนาวความร้อนเผชิญหน้าด้วยเหลือบยุงลมแดดและสัมผัสแห่งสัตว์เลือล้อยคลานทั้งหลายสูบ้อมอยู่หิ้วกระหายอยู่เพราะไม่ได้บริโภคตามเวลา นี่แหละเป็นโทษของการมทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองเพราะมีการเป็นเหตุมีการเป็นเครื่อง ก, ก่อมีการเป็นเครื่องบังคับให้กระทาเป็นไปเพราะการมนั่นเดียวพิจุรณาไหลก็ถ้าเมื่อกุลบุตรนั้นขยันพากเพียรขวนขวายพยายามอยู่อย่างนี้พระกัพสป์ก็ยังไม่สําเร็จแก่เขา เขาย่อมเศร้าโศกระทมใจเริ่มครวนตีอกร่ำให้ถึงความเป็นผู้มุนงงกลัางเบอว่าความขยันของเราเป็นหมันหนอความขยันของเราไร้ผลเนอหนังนี้ปีสุดท้ายก็แม้นี้เป็นโทษของการทั้งหลายเป็นกองทุก์ที่เห็นได้เองมีการเป็นเหตุมีการเป็นเครื่องก่อ มีการเป็นเครื่องบังคับให้กระทำเป็นไปเพราะการรมนั่นเตียวก็ถ้าเมื่อกุลบุตนั้นพากเพียรควรขวายพยายามอยู่อย่างนี้โปกรัพั์เกิดสำเร็จแกเขาด้วยเขาก็จะต้องสวยทุกโทรมนั้นเพราะการรักาโปกระซั์เหล่านั้นเป็นต้นเหตุด้วยวางอยู่ว่า พระราชาจะไม่รีบทรัพย์เหล่านั้นไปโจนจะไม่ปล้นเอาทรัพย์นั้นไปไฟจะไม่ไหม้ทำลายทรัพย์นั้นน้ำจะไม่ท่วมทำลายทรัพย์เหล่านั้นหรือาญาติที่ไม่รักใครจะไม่ยื้อแย่งเอาทรัพย์เหล่านั้นไปดังนี้ก็แต่เมื่อกุลบุตรนั้นทำการอารักขาคุ้มครองอยู่อย่างนี้ พระราชาเกิดรีบเอาทรัพย์เหล่านั้นไปเสียก็ตามโจรปล้นเอาทรัพย์เหล่านั้นไปเสียก็ตามไฟไม่ทำลายทรัพย์เหล่านั้นเสียก็ตามน้ำท่วมทำลายทรัพย์เหล่านั้นเสียก็ตามหรือตาญาติที่ไม่พอใจอยื้อแย่งเอาทรัพย יה יה kind of ์เหล่านั้นไปได้ก็ตามเขาย่อมเศร้าโศกกระตมใจกร่ำครวนตีอกกรำให ถึงความงุนงงครั่งเพลีว่าทรัพย์ใดได้มีแล้วแก่เราทรัพย์นั้นไม่มีเสียแล้วนังนี้แบบนี้ก็เป็นโทษของกรรมทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองมีการเป็นเหตุมีการเป็นเครื่องก่อมีการเป็นเครื่องบังคับให้กระทาเป็นไปเพราะการเนินเถียวพิกษุน์ทั้งหลายโทษอย่างอื่นยังมีอีกเพราะการเป็นเหตุ พราะการเป็นเครื่องก่อเพราะการเป็นเครื่องบังคับให้กระทำเป็นไปเพราะการรมเดี่ยวพระราชาย่อมวิวาสกับพระราชาบ้างกษัตริย์ย่อมวิวาทกับกษัตริย์บ้างปราหม์ย่อมวิวาทกับปราม์บ้างกุระบดีย่อมวิวาสกับกุระบดีบ้างมารดาย่อมวิวาทกับบุตรบ้างบุตรย่อมวิวาทกับมารดาบ้าง บิดาย Tim, ่อมมีวาดกับบุตรบ้างบุตรย่อมมีวาดกับบิดาบ้างพี่น้องชายย่อมมีวาดกับพี่น้องชายบ้างพี่น้องชายย่อมมีวาดกับพี่น้องหญิงบ้างพี่น้องหญิงย่อมมีวาดกับพี่น้องชายบ้างสหายย่อมมีวาดกับสายบ้างคนเหล่านั้นทำการทะเลาะวิวาดบาดหมางกันแล้วย่อมต่อสู้กันและกันด้วยมือบ้าง ย่อมต่อสู้กันละกันด้วยก้อนดินบ้างย่อมต่อสู้กันละกันด้วยท่อนไม้บ้างย่อมต่อสู้กันละกันด้วยศาสตราบ้างอยู่ในที่นั้นนั้นกอเหล่านั้นย่อมถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายในที่นั้นนั้นพิกุทัายโทษย อ, ยอย่างอื่นยัมีอีกเพราะการเป็นเหนุเพราะการเป็นเครื่องก่อ เพราะการเป็นเครื่องบังคับให้กระดำเป็นใบ ป, ประกาศนั่นเดียวคนทั้งหลายจึงถือดาบและโล่ผูกซอดธนูและแร่งสอนแบ่งกันเป็นสองกองทัพพุ่งเข้าทำสงครามกันเมื่อลูกศรถูกปล่อยไปเมื่อหอกถูกสัดไปเมื่อดาบควัดแกว่งอยู่คนเหล่านั้นยิงกันด้วยลูกศรบาง แทงกันด้วยหอกบ้างตัดศีรษะด้วยดาบบ้างในสงครามนั้นๆเขาย่อมถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายในที่นั้นๆั้นพิสุรณาหลายโทษอย่างอื่นยังมีอีกเพราะการมเป็นเหตุเพราะการมเป็นเครื่องก่อเพราะการมเป็นเครื่องบังคับให้กระทำเป็นไปเพราะการมนั่นเดียวคนทั้งหลาย หรือดาบและโล่ผูกสอสธนูและแร่งสอนวิ่งขึ้นปีนเชิงเทินเพื่อปล้นหนเมืองเมื่อลูกศรถูกปล่อยไปเมื่อหอกถูกซัดไปเมื่อดาบถูกกัดแกวงอยู่คนเหล่านั้นยิงกันด้วยลูกศรบ้างแทงกันด้วยหอก บ, บ้างรายกันด้วยเท่าทานโคมไมหอันร้อนบ้าง ลอยของหนักให้ตกลงทับทีเดียวตายเป็นหมู่บ้างตัดศีรษะกันด้วยดาบบ้างในสงครามนั้นๆเขาเหล่านั้นก็ย่อมถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายในที่นั้นนั้นภิกษุทหลายโทษอย่างอื่นยั ง, ยงมีอีกเพราะการเป็นเหตุเพราะการเป็นเครื่องก่อเพราะการเป็นเครื่องบังคับให้กระทำ เป็นไปพระการมนั่นเดียวคนทั้งหลายย่อมตัดช่องย่องเบาปล้นสะดมในเรือนหลังเดียวคอยดักทําร้ายในที่เปลี่ยวและล่วงปริยาผู้อื่นพระราชาจับคนเหล่านั้นมาแล้วสั่งให้ลงโทษด้วยวิธีต่างๆเช่นเคี่ยนด้วยหวายบ้างหดด้วยเชือกหนังบ้างทุบด้วยท่อนไม้บ้างตัดมือบ้าง ตัดเท้าบ้างตัดเสียทั้งมือและตาบ้างตัดหูบ้างตัดจมูกบ้างตัดเสียทั้งหูและจมูกบ้างย่อมลงโทษด้วิธีหมอเคี่ยวน้ำส้มบ้างย่อมลงโทษด้วิธีกอดสังบ้างการลงโทษด้วิธีหมอเคี่ยวน้ำสม้มคือต่อยหัวสมองให้แยกออกแล้วใช้คีมขีบก้อนเหล็กที่ลุกแดงใส่ลงไป ให้มันสมองเดือดพรุ่งขึ้นเหมือนน้ำส้มเดือดหล่นหม้อวิธีขอดสังคือตัดหนังควันไปให้รอบจอดหูทั้งสองข้างและหลุมขอแล้วรวบผมทั้งหมดกระมวดไว้ใช้ไม้สอดหมุนยกขึ้นให้หนังหลุดติดขึ้นมาพร้อมกับผมแล้วใช้สายหยาบัดกระโหลกศีรษะล้างให้ขาวดังสัง่ง วิธีปากราหูคือใช้ขอเหล็กง้างปากให้อ้าแล้วจุดไฟในปากอีกอย่างหนึ่งคือใช้สิวตอกเจาะตั้งแต่จอหูเข้าไปจนถึงปากให้โลหิตไหลออกมาเต็มปากดูปากอ้าดังปากราหูวิธีมาลัยไฟคือใช้ผ้าชุบน้ำมันพันจนทั่วแล้วจุดไฟ วิธีกบมือคือใช้ผ้าชุบน้ำมันพันมือทั้งสองข้างจนทั่วแล้วจุดไฟวิธีริ้วสายคือเชือดหนังลอกออกเป็นริ้วๆตั้งแต่ใต้คอไปจนถึงข้อเท้าแล้วเอาเชือกผูกชุดคร่าไปนักโทษเดินเหยียบริ้วหนังของตัวเองล้มลุกลุ ก, กลานไปจนกว่าจะตาย วิธีนุ่งเปลือกไม้คือเชือดหนังเป็นริ้วๆอย่างวิธีริ้วสายแต่ทำเป็นสองตอนคือตั้งแต่คอจนถึงเอวตอนหนึ่งตั้งแต่เอวจนถึงข้อเท้าตอนหนึ่งหรือหนังตอนบนห้อยกลุ่มลงมาปิดกายตอนล่างดูหนังนุ่งเปลือกไม้วิธียืนกวางคือใช้ห่วงเหล็กรัดศอกทั้งสอง และเข่าทั้งสองเรึงติดไว้กับหลักเหล็กสี่หลักบนพื้นดินดูดังกว่างถูกตรึงแล้วก่อไฟล้อมหล่นไปจนกว่าจะตายวิธีเกี่ยวเยือเบ็ดคือใช้เบ็ดมีเงี่ยงสองข้างเกี่ยวตัวดึงเอาหนังเนื้อและเอ็นออกมาให้หมดวิธีเหริงกราบคือใช้มีดคม เชือดเนื้อออกเป็นแว่นๆขนาดเท่าเหรียญเงินจนกว่าจะตายวิธีแป่งแสบคือฟันสับเสียให้ยับจนทั่วกายแล้วใช้แปรงชุบน้ำแสบมีน้ำเกลือเป็นต้นถูกรูดสีไปมาให้หนังเนื้อเอ็นขาดหลุดออกมาหมดเหลือแต่กระดูกวิธีการเกวียนคือให้นอนตะแคง แล้วใช้เหลาเหล็กตอกเข้าช่องหูให้ทะลุลงไปตรึงแน่นอยู่กับดินแล้วจับเท้าทั้งสองยกขึ้นเดินเวียนวิธีต่างฝั่งคือใช้ลูกหินบด ท, ทับตัวบดให้กระดูกแตกละเอียดแต่ไม่ให้หนังขาดแล้วจับผมรวบขึ้นเขย่าเขยา่าให้เนื้อรวมเข้าเป็นกองแล้วใช้ผมนั่นแหละ ผ่นตล่อมวางไว้เหมือนต่างที่ทำด้วยฟางสำหรับเจ็ดเตาวิธีให้สุนักถึงเือขังฟูงสุนักให้อดหิวโซหลายวันแล้วปล่อยให้ออกมารุมถึงพักเดียวเหลือแต่กระดูกคือพระราชาย่อมลงโทษด้วยวิธีม้อเคี่ยวนมส้มบางลงโทษด้วยวิธีขอดสังบาง ลงโทษด้วิธีปากราหูบ้างลงโทษดิวิธีมาลายไฟบ้างลงโทษด้วิธีคบมือบ้างลงโทษดิวิธีริ้วสายบ้างลงโทษดิวิธีนุ่งเปลือกไม้บ้างลงโทษดิวิธียืนกวางบ้างลงโทษด้วิธีเกี่ยวเหยื่อเบ็ดบ้างย่อมลงโทษดิวิธีเรียนภาษาบ้างลงโทษดิวิธีทาเกลือบ้างลงโทษดิวิธีแปลงแสบบ้าง ลงโทษด้วยวิธีการเกวียนบ้างลงโทษด้วยวิธีตั้งฟางบ้างย่อมราดด้วยน้ำมันร้อนๆบ้างย่อมปล่อยให้สุนัขถึงบ้างย่อมให้นอนงายบนลาวทั้งเป็นๆบ้างย่อมตัดศีรษะด้วยดาบบ้างเขาเหล่านั้นย่อมถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายในที่นั้นๆพิษุธรายโทษอย่างเห็นยั ง, ง, ยงยมีอีก เพราะการเป็นเหตุเพราะการเป็นเครื่องก่อเพราะการเป็นเครื่องบังคับให้กระทำเป็นใบเพราะการนั่นเดียวคนทั้งหลายย่อมประพฤติทุจริตด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจครั้นประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาและใจแล้วเขาย่อมเข้าถึงอบายทุกติมินิบาตและ น, นรก เบื้องหน้าแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับแม้นี้ก็เป็นโทษของกรรมเป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองมีการเป็นเหตุมีการเป็นเครื่องก่อมีการเป็นเครื่องบังคับให้กระทําเป็นไปเพราะการมนั่นเที่ยวภิกษุทั้งหลายก็อะไรเป็นอุบายเครื่องออกคือนิสรณะนะจากกรารมทั้งหลาย คือการนำบ อ, อกเสียดายซึ่งฉันทาราคะการละ้ะเสียดายซึ่งฉันทาราคะในการมทั้งหลายอันใดอันนั้นเป็นนิสรณะนะคือายเครื่องออกจากการมทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพรามเราใดไม่รู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งรสหร่อยโดยความเป็นรสหร่อยด้วย ไม่รู้ชัดซึ่งโทษโดยความเป็นโทษด้วยไม่รู้ชัดซึ่งอุบายในการนำออกโดยความเป็นอุบายในการนำออกด้วยด้วยการเหล่านี้สมณนะหรือพรหมา์เหล่านั้นหรือจะรอบรู้ซึ่งกามทั้งหลายด้วยตนเองหรือว่าจะชักชวนผู้อื่นให้รับรู้ซึ่งกามเหมือนผู้ที่เคยปฏิบัติแล้วดังนี้นั้น นั่นไม่เป็นตานะที่จะมีได้พิสุตตหลายส่วนสมณนะหรือพรามเ่าได้รู้ชัดตตมเป็นจริงซึ่งรสอร่อยแห่งการต้องหลายโดยความเป็นรสอร่อยด้วยรู้ชัดซึ่งโทษโดยความเป็นโทษด้วยรู้ชัดซึ่งอุบายเครื่องนำออกโดยความเป็นอุบายด้วยการอย่างนี้ด้วย สมณะหรือพรามเหล่านั้นแหละจะร่บรู้ซึ่งกามต้นหลานด้วยตนเองหรือจะชักชวนผู้อื่นให้ร่บรู้ซึ่งกามเหมือนผู้ที่เคยปฏิบัติแล้วดังนี้นั้นนั่นเป็นฐานะที่จะมีได้ภิกษตทลายก็อะไรเป็นรสอร่อยของรูปภิกษตทลายเหมือนอย่างว่า นางสาวน้อยแห่งกษัตริย์ก็ดีนางสาวน้อยแห่งปรามก็ดีหรือนางสาวน้อยแห่งกุฎบัตรดีก็ดีที่แสดงลักษณะว่ามีอายุ15้าปีหรือ16ปีซึ่งมีสวดทรงไม่สูงนักไม่ต่ำนักไม่ผอมนักไม่อ้วนนักไม่ดำนักไม่ขาวนักก็ในสมัยนั้นสีสันแห่งวันนะ กองหญิงนั้นย่อมงดงามอย่างยิ่งมิใช่หรือข้ะนั้นเป็นอย่างนั้นชหมาก็สุขสมมนัน้นอันใดที่อาศัยสีสันวันนะอันงดงามแล้วมัเกิดขึ้นนั้นละ่ะนั่นเป็นรสร่อยคืออัจฉาะของรูปพิกษุทั้นหลยก็แล้วอะไรเป็นโทษอันต่ำซามคืออาทีนวะของรูป คือเธอในกรณีนี้จะได้เห็นน้องหญิงของตนนั่นแหละในการต่อมามียายุได้8ปดสิบปีบ้างเก้าสิบปีบ้างแกชราสุดโสมแล้วมีหลังงอเหมือนไม้โขปานาสิแห่งหลังขามีกายโคดไปโคดมามีไม้เท้าหยันไปนิเวงหน้าเดินตัวสั่นเทิมกระสับกระส่าย พันว้อันแข็งแกร่งไปแล้วมีฟันหักแล้วมีผมหงอกแล้วมีผมตัดสั้นอย่างโลวกลมีผิวหนังหย่อนยานและมีตัวเต็มไปด้วยจุดเพราะเราจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรสีสันวันนะอันงดงามที่มีมาแต่เดิมอันใดสีสันนั้นงดงามนั้นอันตระทานไปแล้ว โทษปรากฏชัดแล้วไม่ใช่หรือเพราะนั้นเป็นอย่างนั้นประชจาข้านี่แหละเป็นโทษอันตำสาหรืออทีนวะของรูปภิกษุตั้งหลายโทษยอย่างอื่นยังมีอีกบุคคลจะได้เห็นน้องหญิงของตอนนั้นนั่นแหละอาพาดลงได้รับทุกทรมานเป็นไข้หนักนอนกลิ้งเกลือก จมกองอุจจาระและปัสสาวะของตนเองอันบุคคลต้องช่วยพยุงให้ลุกและนอนพวกเธอจะสําคัญความข้อนี้ไว้อย่างไรสีสันวันนะอันงดงามที่มีแต่เดิมบรรไดสีสันวรรณะอันนั้นอันตราฐานไปแล้วโทษปรากฏชัดแล้ม่ใช่หรือข้อ <c oughs> นั้นเป็นอย่างไรพระเจ้าข้าแมรนี้ก็เป็น โทษอันต่ําสามของรูปภิกษุทั้งหลายก็อื่นยังมีอีกคือบคุคคลจะได้เห็นน้องหญิงนั้นนั่นแหละบัด น, นี้เป็นร่างอันเขาทิ้งแล้วในป่าช้าอันเป็นที่ทิ้งศพตายแล้ววันหนึ่งบ้างตายแล้วสองวันบ้างตายแล้วสามวันบ้างกําลังขึ้นผองมีสีเขียวน่าเกลียดมีหน้องไหลหน่าเกลียด อเอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรสีสันบรรณะอันงดงามที่มีมาแต่เดิมบรรใดสีสันบรนณานั้นอันตราตานไปแล้วโทษปรากฏชัดแล้วไม่ใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าแม่นี้ละ่ะก็คือโทษอันตำซามของรูปพิกษุต่อนอยโทษอย่างอื่นยังมีอีกบุคคลจะได้เห็นน้องหญิงนั้นนั่นแหละ วันนี้เป็นสรีระหันเขาจริงแลว้วในป่าช้าเป็นที่ทิ้งศพหันฝูงกาจิกินอยู่บ้างหันฝูงแร้งจะกินอยู่บ้างหันฝูงนกตะกรุมจิกินอยู่บ้างหันฝูงสุนัขกัดกินอยู่บ้างหันฝูงสุนัขจิ้งจอกกัดกินอยู่บ้างหันหมู่นอนกตก่างชนิดบอนใช้กินอยู่บ้าง พวกเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็สีสันวันนะอันงดงามที่มีแต่เดิมอันตระตามไปแล้วโทษปรากฏจัดแล้วไม่ใช่หรือข้นั้นเป็นอย่างไรพระเจ้าข้แม่นี้หละก็เป็นโทษอันํำซามคืออาทีนะวะของรูกภิกษุตัาไหนโทษอย่างอื่นยังมีอีกบุคคลจะได้เห็นน้องหญิงนั้นนั่นแหละ ่นเก่าจริงแล้วในป่าชาเป็นที่ทิ้งศพเป็นร่างกระดูกยังมีเนื้อและเลือดยังมีเอ็นเป็นเครื่องรึงรัดบางเป็นร่างกระดูกที่ปราศจากเนื้อยังมีเลือดเปื่อนอยู่และยังมีเอ็นเป็นเครื่องรึงรัดไปบางเป็นร่างกระดูที่ปราศจากเนื้อและเลือดแต่ยังมีเอ็นเป็นเครื่องรึงรัดบาง เป็นท่อนกระดูกที่ปราศจากเอ็นเป็นเครื่องรึงรัดกระจายกระจายไปคนละทิละทางคือกระดูกมือใบทางหนึ่งกระดูกเท้าใบทางหนึ่งกระดูกแข้งใบทางหนึ่งกระดูกขาใบทางหนึ่งกระดูกเซลใบทางหนึ่งกระดูกข้อสันหลังใบทางหนึ่งกระดูกสีข้างใบทางหนึ่งกระดูกหน้าอกใบทางหนึ่งกระดูกแขนใบทางหนึ่ง กระดูกไหลไปทางหนึ่งกระดูกคอไปทางหนึ่งกระดูกกลางไปทางหนึ่งกระดูกแฟนไปทางหนึ่งและกระโหลกสีรัะไปทางหนึ่งบางพวกเดาจะเข้าใจความข้อนี้ว่ายอย่างไรสีสันหมด น, นะเป้งนงงามที่มีแต่เดิมบันไดอันตรดานไปแล้วโทษปรากฏจัดแล้วมิใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่า แม่นี่แหละก็เป็นโทษอันตำสามของรูปพิษุทธหลายก็โทษอย่างอื่นยั ง, ยงมีอีกบุคคลจะได้เห็นน้องหญิงนั้นนั่นแหละอันเก่าจริงแล้วในป่าชา้าอันเป็นที่ติ้งศพเป็นชิ้นกระดูกสีขาวด่งสังบ้างเป็นชิ้นกระดูกกองเรียรายอยู่นานเกินกว่าปีหนึ่งบ้างเป็นกระดูก เคยเป็นผงละเอียดไปแล้วบ้างแมบนี้ก็คือโทษอันตำสามของรูปภิกษุทั้งหลายก็อะไรเป็นนุบายเรื่องออกหรือนิสรณะจากรูปคือการนำาออกเสียได้ซึ่งจันดาราคะการละเสียได้ซึ่งจันดารากะในรูปอันใดนั่นแหละเป็นนุบายเรื่องออกหรือนิสระณะ ของรูปพิสษลัยใช่ไมนะหรือปรามเหล่าใดไม่รู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งรส่อยแห่งรูปโดยความเป็นรสไหยด้วยไมย่รู้ชัดซึ่งอาทีน่ะวะคือทอดันตำซ้ำโดยความเป็นโทษด้วยไมย่รู้ชัดซึ่งอุบายเครื่องออกโดยความเป็นอุบายโดยอาการอย่างนี้อยู่ สมมนะหรือพราหมณ์เหล่านั้นหรือจะทราบรู้ซึ่งรูปด้วยตนเองหรือว่าจากชวนผู้อื่นให้ราบรู้ซึ่งรูปเหมือนพูดที่เคยปฏิบัติแล้วดังนี้นั้นนั่นไม่เป็นตานะที่จะมีได้ส่วนสมณนะหรือพราหมณ์เหใดรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งรสไร่แห่งรูปโดยความเป็นรสไร่ด้วย รู้ชัดซึ่งโทษนันต่ำสามโดยความเป็นโทดอันต่ำสามด้วยรู้ชัดซึ่งอบายเครื่องออกโดยความเป็นบายด้วยด้วยการอย่างนี้อยู่สมณนะหรือพรามเหล่านั้นจะรับรู้ซึ่งรูปด้วยตนเองหรือจากชักชวนผู้อื่นให้รอบรู้ซึ่งรูปเหมือนผู้ที่เคยปฏิบัติแล้วดังนี้นั้นนั่นเป็นฐานะ ที่จะมีได้พิกูุทั้งหลายก็อะไรเป็นคุณของเวทนาทั้งหลายคือพิษูในธรรมะวไนนี้ปราดจากการและสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายจึงามาเลิกปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวีเวคแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้ สมัยนั้นเ็ยยอมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตนเองย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายในสมัยนั้นย่อมสวยเวทนาอันไม่มีความเบียดเบียนเลยทีเดียวเราย่อมกล่าวคุณของเวทนาทั้งหลายว่ามีความไม่เบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งพิกษรณหลายข้ออื่นยังมีอีก ทอนนั้นพระบรลุทุติยชานมีความป่องใสแห่งใจในภายในเป็นธรรมเดชพุทมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วตั้งอยู่ในธรรมได้ในสมัยนั้นย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นหรือเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายย่อมสบยเวทนา อันไม่มีความเบียดเบียนเลยทีเดียวเรากล่าวคุณกองเบตนาทั้งหลายว่ามีความไม่เบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งพิสุตตลายอีกประการหนึ่งคือเจนนั้นมีอุเบกขามีสติสัมป ช, ชัญญะสวยสุขด้วยนามกายเพระาะความที่ปีติสิ้นไปจึงบรรลุฌานที่สามสมัยนั้น เธอยอมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นย่อมสวยเวทนาอันไม่มีความเบียดเบียนเลยทีเดียวเรากล่าวคุณแห่งเบชนาทั้งหลายว่ามีความไม่เบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งอีกประการหนึ่งเธอนั้นบรรลุกจตุทชาอันไม่ทุกข์ไม่สุขเพราะละสุขและทุกข์ียได้ ระความดับหายไปแห่งโสมนัตและตัมนัตในการก่อนมีอุเบขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่แล้วตั้งอยู่ในธรรมนิยาสมัยนั้นย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นหรือเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายย่อมสวยเวทนาอันไม่มีความเบียดเบียนเลยทีเดียว เรากล่าวคุณแห่งเวทนาทั้งหลายบ้ามีความไม่เบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งพิษุตทลายก็อะไรเป็นโทษของเวทนาทั้งหลายก็ข้อที่เวทนานั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานี่เป็นโทษของเวทนาทั้งหลายแล้วอะไร เป็นอบายเครื่องนําออกจากเวทนาคือการนําออกเสียได้ซึ่งฉันทาราคะการละเสียได้ซึ่งฉันทาราคะในเวทนาทั้งหลายอันใดนั่นเป็นนิสรณะคืออุบายเครื่องออกจากเวทนาภิกษุทั้งหลายก็สมณนะหรือพราหมเหลาไดไม่รู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งรถ อรอยแห่งเบตนาโดยความเป็นรสอร่อยไม่รู้ซึ่งโทษอันดำซา ม, ามโดยความเป็นโทษอันดำซา ม, ามไม่รู้ซึ่งอุบายเครื่องออกโดยความเป็นอุบายโดยอาการานี้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นหรือจะรับรู้ซึ่งเบตนาด้วยตนเองหรือจากชักชวนผู้อื่นให้รับรู้ซึ่งเบตนา เหมือนผู้ที่เคยปฏิบัติแล้วดังนี้นั้นนั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ส่วนสมณะหรือพระเหล่าใดหรือชัดตามความเป็นจริงซึ่งรสร่อยแห่งเบทนาโดยความเป็นรสร่อยด้วยหรือชัดซึ่งโทษอันต่ำทา ม, ามโดยความเป็นโทษอันต่ำทรามด้วยหรือชัดซึ่งอบายก็เรื่องออก โดยความเป็นอุบายด้วยด้วยการอย่างนี้สมณนะหรือพระเหล่านั้นจะรอบรู้ซึ่งเบตนาด้วยตนเองหรือจากเชืชวนผู้อื่นให้รอบรู้ด้วยเบตนาเหมือนผู้ที่เคยปฏิบัติแล้วดังนี้นั้นนั่นเป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสรูพระพุทธนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจชื่นชมยินดี พาสิทธ์กองพราผู้มีพระภาคเจ้าแลมหาทุกขกขันทสูตรว่าด้วยกองทุกขสูตรใหญ่จบต่อไปเป็นจุลทุกขกขันทสูตรว่าด้วยกองทุกขสูตรเล็กเริ่มที่สิองข้อที่สองร้ยเก้าก็ในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นิโกรตาราม ในเกตกรุงกบิลพัทครานั้นเจ้าสากะยะทรงพระนามว่ามหาหนามะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังกลมแล้วนั่งนะที่ควรข้างหนึ่งได้กราบตูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เข้าใจธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงมานานแล้วอย่างนี้ว่า โลภะโทสะโมหะต่างเป็นอุปกิเลสแห่งจิตว่าแลเมื่อเป็นเช่นนั้นโลภะทำก็ดีโทสะทำก็ดีโมหะทำก็ดียังครอบงำจิตของข้าพระองค์ไว้ได้เป็นครั้งคราวข้าพระองค์จึงเกิดความคิดเห็นอย่างนี้ว่าธรรมะชื่ออะไรเล่าที่ข้าพระองค์ยังละไม่ได้เด็ดขาดในภายใน อันเป็นเหตุให้โลภะธรรมหรือโทสะธรรมหรือโมหะธรรมกรม็ตามเกิดครอทบนำจิตของข้าพระองค์ไว้ได้เป็นครั้งเป็นคราวมหานะมะพะมะนั้นนั่นแหละท่านยังละไม่ได้ในขาดในภายในท่านเป็นเหตุให้โลภะธรรมกด็ดีโทสะธรรมกด็ดีโมหะธรรมก็ดี ยังคราบงามจิตของท่านไว้ได้เป็นกั้งเป็นกลาวมานณมะก็ธรรมะนั้นจะเป็นอันท่านละได้เด็ดขาดในภายในแล้วท่านก็ไม่พึงอยู่กรองเรือนไม่พึงบริพภคกรรมแต่เพราะท่านละธรรมะเช่นนั้นยังไม่ได้เด็ดขาดในภายในฉะนั้นท่านจึงยังอยู่กรองเรือนยังบริโภคกรรม มา น, นมะถ้าแม้ว่าอริยาสาวกเล็งเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงว่ากามนี้ให้ความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความครับแค้นใจมากมีโทษในกรรมอย่างยิ่งอย่างนี้แต่อริยาสาวกนั้นเว้นขาดจากกามเว้นจากอากุศลธรรม ยังไม่บรรลุปีติและสุขหรือกุศลธรรมอื่นที่สงบกว่านั้นเธอจะยังเป็นผู้ไม่เวียนมาในกามไม่ได้ก่อนแต่เมื่อใดเรียาสาวกได้เล็งเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงว่ากามนี้ให้ความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความขับแค้นมากโทษในกามนี้อย่างยิ่ง อย่างนี้แล้วหลายเธอก็เป็นจากกรรมเม้นจากอากุศลธรรมบรรลุปีติและสุขหรือกุศลธรรมอื่นที่สงบกว่านั้นเมื่อนั้นเธอย่อมเป็นผู้ไม่เวียนมาในการเป็นแต่มหานามะแม้เราเมื่อเป็นโพธิสัตว์อยู่ยังไม่ได้ตรัสรู้ก่อนการตรัสรู้ตีเดียว ก็เล็งเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าการให้ความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความขับแค้นมากโทษในกรรมนี้อย่างยิ่งดังนี้และเราก็เว้นจากกรมเว้นจากากุศลธรรมแต่ไม่บรรลุปีติและสุขหรือกุศลธรรมอื่นที่สงบกว่ากรามนั้น เราจึงปฏิญญาว่าเป็นผู้ไม่เวียนมาในกามมิได้ก่อนแต่เมื่อใดเราเล็งเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่ากามนี้ให้ความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความขับแค้นมากโทษในกามนี้อย่างยิ่งและเราก็เว้นจากการรมเว้นจากอากุศลธรรม บรรลุปีติและสุขและกุศลธรรมอื่นที่สงบยิ่งกว่าเมื่อ น, นั้นเราก็ปฏิญญาได้ว่าเป็นผู้ไม่เวียนมาในการรมมหานามะก็อะไรเป็นคุณของกามทั้งหลายคือการมาุณห้าอย่างเหล่านี้มีอยู่คือรูปที่พึงรู้แจ้งได้ด้วยตา เสียงที่พึงรู้ได้ด้วยหูกลิ่นที่พึงรู้ได้ด้วยจมูกรสที่พึงรู้ได้ด้วยลิ้นโธธภตาพาที่พึงรู้ได้ด้วยกายอันแต่ละอย่างน่าปรารถนาน่ารักใครน่าพอใจเป็นที่ยวนตา ย, ยวนใจให้รักเป็นที่ตั้งความกำหนัดย้อมใจสุขสมนั้อันใด อาศัยการคุณห้าเหล่านี้เกิดขึ้นนี้เป็นคุณของกา ร, รมทั้งหลายมหานามะก็แล้วอะไรเป็นโทษของกา ร, รมทั้งหลายแะได้ตรัสโดยนัยะของมหาทุกขกขันตสูตรในโทษของกามะได้ตรัสต่อไปดังนี้ว่ามหานามะคราวหนึ่ง เราอยู่ที่ภูเขาคิจกูดใกล้นครนราชกฤตครานั้นพวกนิครนเป็นนันมากบรพฤติข้อวัดยืนอย่างเดียวหมดการนั่งอยู่ณที่กาลาสิลาข้างภูเขาอีสิกิลิต่างประกอบความเพียรอย่างแรงกล้าสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนอยู่ ก็กลนั้นเป็นเวลาเย็นเราออกจากที่หลีกเร้นไปสู่กาลศีลาแล้วได้กล่าวกับพวกนิกรนเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายพระเหตุอะไรหนาพวกท่านทั้งหลายจึงป่ากันประพฤติยืนไม่นั่งปพระกอบความเพียรได้รับเบชนาอันเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บแสบเป็ดร้อนเช่นนี้นิกรนเหล่านั้น จึงได้กล่าวกับาว่าเป็นผู้มีอายุก็ท่านนิครณนาฏบุตรเป็นผู้รู้สิ่งทั้องปวงเห็นสิ่งทั้องปวงได้ยืนยันญานณทัศนะของตนเองโดยไม่มีการยกเว้นว่าเมื่อเราเดินยืนหลับหรือตื่นอยู่ก็ตามญาณทัศนะของเราย่อมปรากฏติดต่อกันไม่ขาดสายก็าท่านนิครณนาฏบุตรนั้น กลาไว้อย่างนี้ว่าทัพวกนิกรนทั้งหลายบาปกรรมในการก่อนที่ได้ทำไว้มีอยู่แล้วเพราะท่านจงทำลายกรรมนั้นให้สิ้นไปด้วยทุกรักกิริยาอันสาเป็นนี้อันหนึ่งเพราะการสมรวมกายวาจาและใจในบัดนี้ย่อมชื่อว่าไม่ได้กระทำกรรมอันเป็นบาปอีกต่อไป เพราะการเผาผลาญกรรมเก่าไม่มีเหลือเพราะการไม่กระทำกรรมใหม่กรรมต่อไปก็ขาดสายเพราะกรรมขาดสายก็สิ้นกรรมเพราะสิ้นกรรมก็สิ้นทุกเพราะสิ้นทุกขก็สิ้นเวตนาเพราะสิ้นเวทนาทุกทั้งหมดก็เหือดแห้งไปดังนี้คำสอนของท่านนิกรณ น, นาฏบุตรนั้น เป็นที่ชอบใจและคุณแกเราและพวกเราก็เป็นผู้พอใจต่อคําสอนนั้นด้วยมาห์นามะเราจึงได้กล่าวกับนิกกรเหล่านั้นสื่อไปว่าท่านผู้เป็นนิกกรทั้งหลายท่านทั้งหลายรู้อยู่หรือว่าพวกเราทั้งหลายได้มีแล้วในการก่อนหรือว่าไม่ได้มีขอ้อนั้นไม่ทราบเลยท่าน ก็่ังผู้เป็นนิกรณ์ทั้งหลายรู้แล้วหรือว่าพวกเราทั้งหลายทำกรรมที่เป็นบาปแล้วในการก่อนหรือว่าเราไม่ได้ทำข้อนั้นก็ไม่ทราบเลยท่านก็แล้วท่านทั้งหลายรู้อยู่หรือว่าเราทั้งหลายได้ทำกรรมที่เป็นบาปอย่างนี้อย่างนี้ในการกร่อนข้อนั้นก็นไม่ทราบเลยท่านก็แล้วท่านทั้งหลายรู้อยู่หรือว่า ตั้งแต่ทำตะบะมาทุกมีจำนวนเท่านี้ได้สิ้นไปแล้วและจำนวนเท่านี้เท่านี้จะสิ้นไปอีกหรือว่าถ้าทุกสิ้นไปจำนวนเท่านี้ทุกก็จะไม่มีเหลือข้อนั้นก็ไม่ทราบเลยท่านท่านผู้เป็นนิครทั้งหลายก็แล้วท่านรู้อยู่หรือว่าอะไรเป็นการละเสียซึ่งสิ่งอันเป็นอกุศล และทําสิ่งที่เป็นกุศลให้เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ข้อนั้นก็ไม่เข้าใจเลยท่านท่าน บ, บุพินิคนักหลายดังได้ฟังแล้วว่าท่านทั้งหลายไม่รู้อยู่ว่าเราทั้งหลายได้มีแล้วในกาลก่อนหรือไม่ได้มีดั่นนี้เป็นต้นแล้วครั้นเมื่อไม่รู้อย่างนี้แล้วน่าจะเห็นว่า จนทั้งหลายเราใดในโลกเป็นพวกรานมีฝ่ามือคร่ําไปด้วยโลหิตมีการงานอย่างกักระภายหลังเกิดเป็นมนุษย์แล้วย่อมบรระชาในพวกนิกรนทั้งหลายและกระมังเหล่า น, นิกรนจึงได้กล่าวขึ้นว่าท่านผู้มีอายุโคดมขึ้นชื่อว่าความสุขแล้วใครใคจะได้มาด้วยความง่ายๆเป็นไม่มีความสุขเป็นสิ่งที่บุคคล มันรูลล้ได้ด้วยความลำบากก็ถ้าบุคคลจะประสบความสุขด้วยความสุขแล้วยพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระราชาหแห่งแคว้นมคุก็คงประสบความสุขพระพระเจ้าพิมพิสารอยู่เป็นสุขกว่าท่านพระโกดมท่านบุพเพนิกรทั้งหลายเป็นการแน่นอนที่ท่านทั้งหลายหุนหันไม่พิจารณาจึงพูดขึ้นดังนี้ แท้จริงเราเท่านั้นที่พวกท่านซักไซไล่เลียงในเรื่องความสุขเรื่องความทุกข์นั้นดูสิว่าใครเล่าหนาจะอยู่สบายกว่ากันระหว่างพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งแงก้วมังกรหรือพระสมณโคดมท่านพระโคดมผู้มีอายุเป็นการแน่นอนที่พวกข้าพเจ้าหุนหันไม่ทันพิจรารณาจึงกล่าวไปอย่างนั้น พ้อนี้หยุดไว้เพียงเท่านี้ก็ได้แต่บัด น, นี้พวกข้าพเจ้าจะต้องถามท่านพระโคโดมดูบ้างว่าใครเล่าหนอจะอยู่สบายกว่ากันระหว่างพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งแคว้น ม, มคตหรือตัวท่านพระโคโดมเองท่านผู้เป็นนิกลทั้งหลายถ้าอย่างนั้นเราขอถามกลับแก่พวกท่านท่านทั้งหลายเห็นคนอย่างไรก็จงกล่าวแก้อย่างนั้นเถิด เราถามท่านทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายจะมีความเห็นว่าอย่างไรคือพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งแก้วมกฏสามารถทำกายมิให้วันไหวทำมาชาให้สงบเงียบสบวยความสุขอย่างเดียวลุนลวนอยู่ตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนได้หรือไม่ท่านพระกคดมผู้มีอายุก็นนั้นหาไม่ได้เลยท่านบุพนิกรท้หลาย พระชจ้าบิมพิสารราชาแห่งแมกมมคธสามารถทํากายม่ให้วันไหวทำมาชาให้สงบเงียบสวยความสุขอย่างเดียวลุ้นลวนตลอดเวลาหวัน6คืนหรือหวันห้าคืนหรือสี่วันสี่คืนหรือสวันสามคืนหรือสองวันสองคืนหรือหนึ่งวันหนึ่งคืนได้หรือไม่ ทำประกรมเพราะนั้นหาไม่ได้เลยเริ่มมาเป็นทุกคทกหลาย <c oughs> ก็เราแลสามารถเพื่อทำกายมิให้วันไหวทำมาจะให้สงบเงียบสวยความสุขอย่างเดียวลุ้นล้วนอยู่ตลอดเวลา1วันหรือ1คืนหรือสองวันสองคืนหรือ3วันสมคืนหรือสี่วัน4ี่คืนหรือ5วันหคืน หรือหวัน6คืนหรือถึง7วันเจคืนเป็นกำหนดได้ตามปรารถนาท่าบุมินทร์กร็ เ, เมื่อเป็นอย่างนี้ท่านทั้งหลายจะเข้าใจว่ายอย่างไรพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งแก่นมคตมีวิหารธรรมที่เป็นสุขกว่าเราหรือเรามีวิหารธรรมที่เป็นสุขกว่าพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งแก่นมคต ท่าผู้มียุโกธรผ้าเป็นอย่างนั้นพระสมณโกดมเป็นผู้มีวิหารธรรมที่เป็นสุขกวา่าก็เมพระผู้มีประภาคตรัส ด, ดังนี้แล้วเจ้าสากยะมหานามะมีใจชื่นชมยินดีภาศิษฐ์ของพระผู้มีประภาคเจ้าแล้วแหลเรื่องว่าด้วยกองทุกขสูตรเล็กหรือจุลทุกขะขันตสูตร หลายที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือมหาทุกขกขันธสูตรและจุลทุกขกขันธสูตรว่าด้วยกองทุกสูตรใหญ่และสูตรเล็กอ่านโดยพระมหาใบูรณ์อาพิปุโ น, โนในรายการธรรมรับรุณช่วงของคลังประสูตรตุวนบริษัทตั้งเวลาตีห6ถึงโมงเชา้าทั้งสถานีวิทยุ กระจายสิ่งแห่งประเทศไย